ตำ ม, มประศาสารและสะโบครณีอานอน์ครั้งนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงดาริรังนี้ว่าทางที่ดีเราน่าจะขุดสะโบครณีมีระยะห่างกันสะละร้อยชั่วธนูที่ระหว่างต้นตาลเหล่านี้แล้วรับสั่งให้ขุดสะโบครณีมีระยะห่างกันสะละร้อยชั่วธนูที่ระหว่างต้นตาลเหล่านั้น สระโบขรณีเหล่านั้นก่อด้วยอิฐสชนิดได้แก่ 1. อิฐทอง2อิฐเงิน 3. อิฐแก้วไพลทูลสี่อิฐแก้วพลึกสระโบขรณีเหล่านั้นแต่ละสระมีบันไดสีบันไดแบ่งเป็นสชนิดคือ 1. บันไดทอง2บันไดเงิน 3. บันไดแก้วไพลทูลสี่บันไดแก้วพลึก บันไดทองมีล e ูกกลงทำด้วยทองราวและหัวเสาทำด้วยเงินบันไดเงินมีลูกกรงทำด้วยเงินราวและหัวเสาทำด้วยทองบันไดแก้วไพลทูลมีลูกกรงทำด้วยแก้วไพลทูลราวและหัวเสาทำด้วยแก้วพลึกบันไดแก้วพลึกมีลูกกรงทำด้วยแก้วพลึกราวและหัวเสาทำด้วยแก้วไพลทูลสัพโบครณีเหล่าน Photoshop ัううたた้น มีรั้วล้อมสองชั้นคือหนึ่งรั้วทองสองรั้วเงินรั้วทองมีเสาทำด้วยทองราวและหัวเสาทำด้วยเงินรั้วเงินมีเสาทำด้วยเงินราวและหัวเสาทำด้วยทองพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงดำริดังนี้ว่าในสระโบกขรณีเหล่านี้ทางที่ดีเราน่าจะปลูกไม้ดอกเช่นนี้คืออุบลปทุม โกมุตบุญทริกอัญพรีดอกได้ทุกฤดูการไว้เพื่อมอบให้แก่ทุกๆคนไม่ให้ต้องกลับมือเปล่าจึงรับสั่งให้ปลูกไม้ดอกเช่นนี้คืออุบลปทุมโกมุตบุญทริกอันพรีดอกได้ทุกฤดูการไว้เพื่อมอบให้แก่ทุกๆคนไม่ให้ต้องกลับมือเปล่าต่อมาพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงดําริ ด, ดังนี้ว่า ที่ขอบสระโบกกรณีเหล่านี้ทางที่ดีเราน่าจะตั้งเจ้าที่นหาปะกะประจำไว้ให้ทำหน้าที่เชื้อเชิญผู้มาแล้วผู้มาแล้วให้อาบน้าจึงทรงตั้งจเจ้าหน้าที่นหาปะกะประจำไว้ที่ขอบสระโบกครณีเหล่านั้นให้ทำหน้าที่เชือ้อเชิญผู้มาแล้วมาแล้วให้อาบน้ำจากนั้นท้าวเธอทรงดาริดังนี้ว่าที่ขอบสระโบกรณีเหล่านี้ ทางที่ดีเราน่าจะจัดสิ่งของให้ทานเช่นนี้คือข้าวสําหรับผู้ต้องการข้าวน้ําสําหรับผู้ต้องการน้ําผ้าสําหรับผู้ต้องการผ้ายานสําหรับผู้ต้องการยานที่นอนสําหรับผู้ต้องการที่นอนสตรีสําหรับผู้ต้องการสตรีเงินสําหรับผู้ต้องการเงินทองสําหรับผู้ต้องการทองจึงทรงจัดสิ่งของให้ทานเช่นนี้คือ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 ถือเอาทรัพย์สมบัติเป็นอันมากเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะได้กราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชจจาทรัพย์สมบัติมากมายนี้พวกข้าพระพุทธเจ้านำมาถวายเฉพาะใต้ฝาละ อ, องทุลีพระบาทเท่านั้นขอพระองค์ทรงรับไว้ด้วยเถิดท้าวเธอตรัสว่าอย่าเลยท่านทั้งหลายนำทรัพย์สมบัติมากมายนี้มาเพื่อเราด้วยพลีอันชอบธรรม สิ่งนี้จงเป็นของพวกท่านต่อไปเถิดและจงนำกลับไปให้มากกว่านี้เมื่อเท้าเธอทรงปฏิเสธพวกเขาจึงหลีกไปอยู่ณที่สมควรแล้วปรึกษาหารือกันอย่างนี้ว่าการที่พวกเราจะนำทรัพสมบัติเหล่านี้กลับคืนไปยังเรือนของตนอีกนั้นไม่สมควรทางที่ดีพวกเราควรช่วยกันสร้างพระราชนิเวศถวายพระเจ้ามหาสุทัศนะ จึงพากันเข้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทธศนะแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพวกข้าพระพุทธเจ้าจะช่วยกันสร้างพระราชนิเวศถวายใต้ฝานละองทุลีพระบาทเท้าเธอทรงรับด้วยพระอาการดุษณี ลำดับนั้นเท้าสักกะจอมเทพทรงสร้างพระราชดําริของพระเจ้ามหาสุทัศนะจึงมีเทวบัญชาเรียกวิสุกรร ม, มเทพบุตรมาตรัสว่ามาเถิดสหายวิสุกรรมเธอจงไปสร้างพระนิเวศชื่อธรรมปราศาสตร์ถวายพระเจ้ามหาสุทัศนะวิสุกรรมเทพบุตรทูลรับเทวบัญชาแล้วอันตรธานจากภพเดวดึง ไปปรากฏณเบื้องพระพักของพระเจ้ามหาสุทัศนะเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นกราบทูลพระเจ้ามหาสุทัศนะดังนี้ว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าจะเนรมิตพระราชนิเวชื่อธรรมประสาทถวายพระองค์เท้าเธอทรงรับด้วยพระอาการดุษณีวิสุกรรมเทพประบุตรได้เนรมิตพระราชนิเวชื่อ ธรรมประศาสตร์ถวายพระเจ้ามหาสุทัศนะด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยาวหนึ่งโยดด้านทิศเหนือและทิศใต้กว้างกึ่งโยดมีฐานสูงกว่าสามชั่วบุรุษก่อด้วยอิฐสี่ชนิดคือหนึ่งอิฐทองสองอิฐเงินสามอิฐแก้วไพยทูลสอิฐแก้วพลึกธรรมประศาสตร์มีเสา 84,000 พันต้นแดงเป็นสีชนิดคือ 1เสาทองสองเสาเงิน 3. สามเสาแก้วไพลูนสี4เสาแก้วพลึกปูด้วยแผ่นกระดานสี่ชนิดคือ 1. กระดานทอง2กระดานเงิน3กระดานแก้วไพลูนสี 4. กระดานแก้วพลึกธรรมปราสาทมีบันได24บันไดแบ่งเป็นสชนิดคือ1บันไดทองสองบันไดเงิน สบันไดแก้วไพลูนสี่บันไดแก้วพลึกบันไดทองมีล <um <um <um ูกกลงทำด้วยทองราวและหัวเสาทำด้วยเงินบันไดเงินมีลูกกลงทำด้วยเงินราวและหัวเสาทำด้วยทองบันไดแก้วไพลูนมีลูกกลงทำด้วยแก้วไพลูนราวและหัวเสาทำด้วยแก้วพลึกบันไดแก้วพลึกมีลูกกลงทำด้วยแก้วพลึกราวและหัวเสาทำด้วยแก้วไพลูน ธรรมประสาทมีเรือนยอด8 4 0 0 0พยอดแบ่งเป็นสีชนิดคือ 1. เรือนยอดทอง 2. เรือนยอดเงิน 3. เรือนยอดแก้วไพยทูล 4. เรือนยอดแก้วพลึกในเรือนยอดทองตั้งบัลลังเงินไว้ในเรือนยอดเงินตั้งบัลลังทองไว้ในเรือนยอดแก้วไพยทูลตั้งบัลลังงาไว้ในเรือนยอดแก้วพลึก ตั้งบัรลังแก้บุศราคำไว้ที่ใกล้ประตูเรือนยอดทองตั้งต้นตาลเงินซึ่งมีลำต้นเป็นเงินใบและผลเป็นทองที่ใกล้ประตูเรือนยอดเงินตั้งต้นตาลทองซึ่งมีลำต้นเป็นทองใบและผลเป็นเงินที่ใกล้ประตูเรือนยอดแก้วไพลทูลตั้งต้นตาลแก้วพลซึ่งมีลำต้นเป็นแก้วผลใบและผลเป็นแก้วไพลทูล ที่ประตูเรือนยอดแก้วผลึกตั้งต้นตาลแก้วไพลทูนซึ่งมีลำต้นเป็นแก้วไพลทูนใบและผลเป็นแก้วผลึกสวนตาลอานนท์พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงดำริดังนี้ว่า ทางที่ดีเราน่าจะให้สร้างสวนตาลทองคําไว้ที่ใกล้ประตูเรือนยอดมหาวิยูหะสําหรับนั่งพักผ่อนกลางวันจึงรับสั่งให้สร้างสวนตาลทองคําไว้ที่ใกล้ประตูเรือนยอดมหาวิยวหะสําหรับทรงนั่งพักผ่อนกลางวันธรรมประสาทมีรั้วล้อมสองชั้นคือหนึ่งรั้วทองสองรั้วเงินรั้วทองมีเสาทําด้วยทอง ราวและหัวเสาทำด้วยเงินรั้วเงินมีเสาทำด้วยเงินราวและหัวเสาทำด้วยทองธ ร, รมมปราสาสต์มีข่ายกระดิ่งแวดล้อมสองชั้นคือข่ายทองชั้นหนึ่งขายเงินชั้นหนึ่งขายทองมีกระดิ่งเงินข่ายเงินมีกระดิ่งทองข่ายกระดิ่งเหล่านั้นอย่าเมื่อต้องลมเกิดเสียงไพเราะน่ายินดีชวนฟังชวนให้เคลือเคลิม อาน o ์ดนตรีเครื่องห้าที่บุคคลปรับเสียงดีประคมดีแล้วบรรเลงโดยผู้ชำนาญย่อมมีเสียงไพเราะน่ายินดีชวนฟังชวนให้เคลือนเพลิมฉันใดขายกระดิ่งเหล่านั้นยามเมื่อต้องลมเกิดเสียงไพเราะน่ายินดีชวนฟังชวนให้เคลื่อนเพลิมฉันนั้นสมัยนั้นในกรุงกุสาวดีราชธานีมีนักเลงนักเล่น และนักดื่มร้องรำทำเพลงตามเสียงกระดิ่งยามที่ต้องลมเหล่านั้นธรรมประสาทที่สร้างเสร็จแล้วมองดูได้ยากเพราะมีแสงสะท้อนบาดตาอาน o น์ในสาธกาลคือเดือนท้ายฤดูฝนเมื่ออากาศแจ่มใสไร้เมฆหมอกดวงอาทิตย์ส่องนภาอากาศมองดูได้ยากเพราะมีแสงสะท้อนบาดตาชั้นใดธรรมประสาทที่สร้างเสร็จแล้วก็มองดูได้ยาก เพราะมีแสงสะท้อนบาดตาฉันนั้นสะธรรมโบกขรณีอานนท์ลำดับนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงดำริดังนี้ว่าทางที่ดีเราน่าจะให้สร้างสะชื่อ ธรรมโบกขรนีไว้เบื้องหน้าธรรมปราสาสตจึงรับสั่งให้สร้างสระธรรมโบกขรนีไว้เบื้องหน้าธรรมปราสาสตด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยาวหนึ่งโยดด้านทิศเหนือและทิศใต้กว้างกึ่งโยดสระธรรมโบกขรนีก่อด้วยอิฐสชนิดคือหนึ่งอิฐทองสองอิฐเงินสอิฐแก้วไพลทูลสี่อิฐแก้วพลึก สธรรมโบครณีมีบันไดยีสบันไดแบ่งเป็นสี่ชนิดคือหนึ่งบันไดทองสองบันไดเงินสบันไดแก้วไพลทูลสี่บันไดแก้วพลึกบันไดทองมีลูกกรงทําด้วยทองราวและหัวเสาทําด้วยเงินบันไดเงินมีลูกกรงทําด้วยเงินราวและหัวเสาทําด้วยทองบันไดแก้วไพลทูลมีลูกกรงทําด้วยแก้วไพลทูล ราวและหัวเสาทำด้วยแก้วพลึกบันไดแก้วผลึกมีลูกกรงทำด้วยแก้วผลึกราวและหัวเสาทำด้วยแก้วไพยทูลสระธรมโบครณีมีรั้วล้อมสองชั้นคือหนึ่งรั้วทองสองรั้วเงินรั้วทองมีเสาทำด้วยทองราวและหัวเสาทำด้วยเงินรั้วงเงินมีเสาทำด้วยเงินราวและหัวเสาทำด้วยทอง สะธรรมโบครณีมีต้นตาลล้อมเจ็ดแถวคือต้นตาลทองหนึ่งแถวต้นตาลเงินหนึ่งแถวต้นตาลแก้วไพลทูลหนึ่งแถวต้นตาลแก้วผลึกหนึ่งแถวต้นตาลแก้วโกเมนหนึ่งแถวต้นตาลแก้บุษราคำหนึ่งแถวต้นตาลทำด้วยรัตนะทุกอย่างหนึ่งแถวต้นตาลทองมีลำต้นเป็นทองใบและผลเป็นเงินต้นตาลเงินมีลำต้นเป็นเงิน ใบและผลเป็นทองต้นตาลแก้วไพลทูลมีลำต้นเป็นแก้วไพลทูลใบและผลเป็นแก้วผลึกต้นตาลแก้วผลึกมีลำต้นเป็นแก้วผลึกใบและผลเป็นแก้วไพลทูลต้นตาลแก้วโกเมนมีลำต้นเป็นแก้วโกเมนใบและผลเป็นแก้วบุษราคำต้นตาลแก้วบุษราคำมีลำต้นเป็นแก้วบุษราคำใบและผลเป็นแก้วโกเมน ต้นตาลทำด้วยรัตนะทุกอย่างมีลำต้นทำด้วยรัตนะทุกอย่างใบและผลทำด้วยรัตนะทุกอย่างแถวต้นตาลเหล่านั้นยามื่อต้องลมเกิดเสียงไพเราะน่ายินดีชวนฟังชวนให้เคลิบเคลิม้มอานนท์ดนตรีเครื่องห้าที่บุคคลปรับเสียงดีประคมดีแล้วบรรเลงโดยผู้เชี่ยวชาญย่อมมีเสียงไพเราะน่ายินดี ชวนฟังชวนให้เคลอบเคลิมฉันใดแถวต้นตาลเหล่านั้นยามเมื่อต้องลมเกิดเสียงไพเราะน่ายินดีชวนฟังชวนให้เคลอบเคลิมฉันนั้นสมัยนั้นในกรุงกุสาวดีราชธานีมีนักเพลงนักเล่นและนักเด่มร้องรําทําเพลงตามเสียงแถวต้นตาลยามต้องลมเหล่านั้นเมื่อธรรมประสาทและสะธรรมโบกกรณีสร้างสําเร็จแล้ว พระเจ้ามหาสุทธศนะได้ทรงเลี้ยงสมณพราหมณ์ทั้งหลายให้เอิอ่มด้วยสมณบริคารและพรหมณะบริคารตามที่ต้องการทุกอย่างแล้วเสด็จขึ้นสู่ธรรมประสาทภาณวาระที่หนึ่งจบ ทรงเจริญชานสมาบัติอานน์ครั้งนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงดําริดังนี้ว่าเหตุที่เรามีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ในเวลานี้เป็นผลเป็นวิบากแห่งกรรมอะไรหนอทรงดําริดังนี้ว่าเหตที่เรามีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ในเวลานี้เป็นผลเป็นวิบากแห่งกรรมสามอย่างคือหนึ่งการให้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 จากนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะเสด็จเข้าไปในเรือนยอดมหาวิยยหะประทับนั่งบนบัลลังก์ทองทรงสงัดจากกรมและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วทรงบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจาร์ปิติและสุขเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกและวิจารสงบระงับทรงบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไปมีอุเบขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายทรงบรรลุตติยฌานที่พระอริยสันเสริญว่าผู้มีอุเบขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมณัสและโทมนัต ด, ดับไปก่อนแล้วทรงบรรลุจตุทชฌาน ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอเวกขาอยู่จากนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงออกจากเรือนยอดมหาวิโยหะเสด็จเข้าไปยังเรือนยอดทองประทับนั่งบน บ, นบนันลังเงินทรงมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สทิศที่สทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลก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 ในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพยบู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ทรงมีเมืองขึ้น 84,000 เมืองเป็นต้น อาน o n พระเจ้ามหาสุทธศนะทรงมีเมืองขึ้น8ปดหมพันเมืองมีกรุงกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองหลวงทรงมีประสาทแปดนสี่พันองค์มีธรรมประสาทเป็นที่ประทับทรงมีเรือนยอด 84% ดหมพันหลังมีเรือนยอดมหาวิโยหะเป็นที่ประทับทรงมีบรลลังก์แปดหมพันบัลลังก์เป็นบรลลังก์ทองบรลลังก์เงินบรลลังก์งา บรรลังแก้วบุษราคมลาดด้วยพรมขนสัตวยายาวลาดด้วยสักหลาดลาดด้วยผ้าปักลวดลายลาดด้วยหนังกวางอย่างดีมีพนักสูงหุ้มนวมสีแดงทั้งสองข้างทรงมีช้าง8ปดหมสพันช้างมีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตะข่ายทองมีพญาช้างตระกูลอุโบสถเป็นช้างทรงทรงมี ม, า 84, มา้า8ปดหมสพันม้า มีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตะข่ายทองมีพญาม้าวลาหกเป็นม้าส่งทรงมีราชรถแปดหมื่นสี่พันคันหุ้มด้วยหนังราชสีห์หุ้มด้วยหนังเสือโคร่งหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองหุ้มด้วยผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตะข่ายทองมีเวชยันราชรถเป็นรถพระที่นั่ง ทรงมีแก้วแปดมืนสพันดวงมีมณีแก้วเป็นชั้นยอดทรงมีสตรีแปดหมืนสพันนางมีพระนางสุภัทาเทวีเป็นอัครมเหสีทรงมีข้าบดีแปดหมืนสันคนมีข้าบดีแก้วเป็นหัวหน้าทรงมีกษัตริย์ผู้สวามิภักดีแปดหมืพันองค์มีปรินายกแก้วเป็นหัวหน้า ทรงมีโคโนมแปดมืนพันตัวที่พร้อมจะให้น้ำนมจนสามารถเอาภาชนะรองรับได้ทรงมีผ้าโคมพัดเนื้อดีผ้าฝ้ายเนื้อดีผ้าไหมเนื้อดีและผ้ากำพลเนื้อดีรวม8ป0 0มืนพันกอดทรงมีสำรับพระกรยาหารที่มีคนนำมาถวายทั้งเช้าและเย็น 84,000 สําหรับอาน o น์สมัยนั้น ช้างแปดหมพันช้างมาสู่ที่เฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะทั้งเช้าและเย็นเท้าเธอทรงดําริดังนี้ว่าช้างของเราทั้งแปดหมพันช้างนี้มาหาเราทั้งเช้าและเย็นทางที่ดีควรให้ช้างของเราสี่หมสองพันช้างมาหาเราร้อยปีต่อครั้งจึงรับสั่งเรียกปรินายกแก้วมาตรัสว่าสหายปรินายกแก้ว ช้าง 84,000 พันช้างนี้มาหาเราทั้งเช้าและเย็นอย่ากระนั้นเลยควรให้ช้าง 42,000 พันช้างมาหาเราร้อยปีต่อครั้งเถิดปรินายกแก้วทูลรับสนองพระบรมราช อ, องค์การต่อมาช้าง 42,000 ันช้างมาสู่ที่เฝ้าของพระเจ้ามหาสุทธศนะร้อยปีต่อครั้ง พระนางสุพัท ธ, ธาเทวีเข้าเฝ้าอานนท์ครั้นล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระนางสุพัท ธ, ธาเทวีทรงดําริดังนี้ว่านานแล้วที่เราได้เข้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะทางที่ดีเราควรเข้าเฝ้าพระองค์อีกจึงรับสั่งเรียกพระสนมมาตรัสว่ามาเถิดเธอทั้งหลายจงอาบน้ําสะผมหมผ้าสีเหลือง นานแล้วที่เราได้เข้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะเราจะไปเข้าเฝ้าพระองค์อีกพวกพระสนมทูลรับสนองพระราชาสาวนีแล้วอาบน้ำสะผมห่มผ้าสีเหลืองเข้าไปเฝ้าพระนางสุพัทาเทวีถึงที่ประทับทีนั้นพระนางสุพัทาเทวีรับสั่งเรียกปรินายกแก้วมาตรัสว่าพ่อปรินายกแก้ว ท่านจงจัดหมู่จัตุรงค์ขินีเสนาให้พร้อมนานแล้วที่เราได้เข้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะเราจะไปเข้าเฝ้าพระองค์อีกปรินายกแก้วทูลรับสนองพระราชสาวัสดินีแล้วจัดหมู่จัตุรงค์ขินีเสนาไว้ให้เรียบร้อยกราบทูลพระนางสุภรททาเทวีดังนี้ว่าขอเดชะพระเทวีข้าพระพุทธเจ้าจัดหมู่จัตุรงค์ขินีเสนาพร้อมแล้ว ขอพระองค์จงทรงกําหนดเวลาที่สมควรหน้าบัดนี้เถิดพระเจ้าค่าจากนั้นพระนางสุภัทาเทวีพร้อมด้วยหมู่จตุรงคีนีเสนาและพระสนมได้เสด็จเข้าไปยังธรรมประสาทขึ้นสู่ธรรมประสาทเข้าไปยังเรือนยอดมหาวิโยหะประทับยืนเหนียวบานพระทวารเรือนยอดมหาวิยหะอยู่ลาดับนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงสดับเสียง จึงทรงดำริดังนี้ว่าเสียงอะไรหนอเหมือนเสียงของหมูมหาชนจึงเสด็จออกจากเรือนยอดมหาวิยญาะทอดพระเนตรเห็นพระนางสุภัททาเทวีประทับยืนเหนียวบานพระทวารอยู่จึงตรัสกับพระนางสุภัททาเทวีดังนี้ว่าเทวีเธอหยุดอยู่ที่นั่นแหละอย่าเข้ามาเลยรับสั่งเรียกราชบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่า พ่อผู้เจริญมาทางนี้พ่อจงนําบรลลังก์ทองจากเรือนยอดมหาวิยูหะไปตั้งในสวนตาลทองราชบุรุษนั้นทูลรับสนองพระราชาดมรัสแล้วเชิญบรลลังก์ทองจากเรือนยอดมหาวิยูหะไปตั้งไว้ในสวนตาลทองจากนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงสําเร็จศีหะสายยาโดยพระปัดเบื้องขวาซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาท ทรงมีสติสัมปชัญญะอานนลำดับนั้นพระนางสุภธ า, าเทวีทรงดำริ ด, ดังนี้ว่าพระอินทรีของพระเจ้ามหาสุทัศนะผ่องใสยิ่งนักพระชวีวันบริสุทธิ์ปุถภง เท้าเธ อ, อย่าได้สวรรคตเลยจึงกราบทูลดังนี้ว่าขอเดชะพระองค์ทรงมีเมืองขึ้น8ป0 0 0สพันเมืองมีกรุงกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองหลวงโปรทรงพอพระไทยเมืองเหล่านี้โปรทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีปราสาทแปดนสี่พันองค์มีธรรมปราสาทเป็นที่ประทับโปรทรงพอพระไทยประสาทเหล่านี้ โปรโทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีเรือนยอด8ปดหมืนพันหลังมีเรือนยอดมหาวิยูหะเป็นที่ประทับโปรโทรงพอพระไทยเรือนยอดเหล่านี้โปรโทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีบรรลัง 84,000 พันบรรลังเป็นบรรลังทองบรรลังเงินบรรลังงาบรรลังแก้วบุษราคำลาดด้วยพรมขนสัตชายาว ลาดด้วยสักหลาดลา ด, ด้วยผ้าปักลวดลายลา ด, ด้วยหนังกวางอย่างดีมีพนักสูงหุ้มนวมสีแดงทั้งสองข้างโปร่งทรงพอพระไทยบัลลังเหล่านี้โปร่งทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีช้างแปดหมื่นสี่พันช้างมีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตะขายทองมีพญาช้างตระกูลอุโบสถเป็นช้างทรง โปรทรงพอพระไทยช้างเหล่านี้โปรทรงเยื่อใหญ่ในการดํารงพระชนเถิดทรงมีม้า8ปดหมสพันม้ามีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตะข่ายทองมีพญาม้าวลาหกเป็นมา้าทรงโปรทรงพอพระไทยม้าเหล่านี้โปรทรงเยื่อใยในการดํารงพระชนเถิดทรงมีราชรถแปดหมสี่พันคันหุ้มด้วยหนังราชสี หุ้มด้วยหนังเสือโคร่งหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองหุ้มด้วยผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องประดับทองมีทงทองคลุมด้วยตะข่ายทองมีเวชยันราชรถเป็นรถพระที่นั่งโปรทรงพอพระไทยราชรถเหล่านี้โปรทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีแก้วแปด0มสี่พันดวงมีมณีแก้วเป็นชั้นยอดโปรทรงพอพระไทยแก้วเหล่านี้ โปรทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีสตรีแปดหมืนพนางมีนางแก้วเป็นหัวหน้าโปรทรงพอพระไทยสตรีเหล่านี้โปรทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีข้าบดีแปดหมืนพันคนมีข้าบดีแก้วเป็นหัวหน้าโปรทรงพอพระไทยข้าบดีเหล่านี้โปรทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิด ทรงมีกษัตริย์ผู้สวามีพักแปดหมื่นสีันองค์มีปริญายกแก้วเป็นหัวหน้าโปรทรงพอพระทัยกษัตริย์เหล่านี้โปรทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีโคโนม8 4 0 0 0พันตัวที่พร้อมจะให้น้ำนมจนสามารถอาภาชนะรองรับได้โปรทรงพอพระทัยโคโนมเหล่านี้โปรทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีผ้าขโคมพัดเนื้อดี ผ้าฝ้ายเนื้อดีผ้าไหมเนื้อดีและผ้ากำพลเนื้อดีรวม 84,000 โกรโปรโทรงพอพระไทยผ้าเหล่านี้โปรทรงเยื่อใหยในการดํารงพระชนเถิดทรงมีสําหรับพระกระยาหารที่มีคนนำมาถวายทั้งเช้าและเย็น 84,000 สําหรับโปรทรงพอพระไทยสําหรับพระกระยาหารเหล่านี้โปรโทรงเยื่อใหญ่ในการดํารงพระชนเถิด พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงเกิดความสังเวชอานน์เมื่อพระนางสุพัทาเทวีกราบทูลอย่างนี้แล้วพระเจ้ามหาสุทัศนะได้ตรัสตอบดังนี้ว่าเทวีเธอพูดทักทายเราด้วยสิ่งอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมาช้านานแต่มาครั้งสุดท้ายเธอทักทายเราด้วยสิ่งอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจเลย พระนางสุภัททาเทวีทูลถามว่ามอมฉันจะกราบทูลอย่างไรเล่าจึงจะพอพระไทยเพคะเท้าเธอตรัสว่าเทวีเธอจงทักทายเราอย่างนี้ว่าขอเดชะความพัดพลากความทอดทิ้งความแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทุกอย่างจะต้องมีพระองค์ยาสวรรคตทั้งที่ทรงมีความอะไรอยู่เลย เพราะการสวรรคตของผู้ยังมีความอาลัยเป็นทุกข์การสวรรคตของผู้ยังมีความอาลัยบัณฑิตติเตียนพระองค์ทรงมีเมืองขึ้น 84%,00 มเมืองมีกรุงกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองหลวงโปรดทรงละความพอพระทัยเมืองเหล่านี้โปรดยาทรงเยื่อใหญ่ในการดํารงพระชนเถิดทรงมีประสาทแปดนสี่พันองค์มีธรรมประสาทเป็นที่ประทับ โปรทรงละความพอพระไทยประสาทเหล่านี้โปรดยทรงเยื่อใ่ในการดํารงพระชนเถิดทรงมีเรือนยอด 84% ดหมืนพันหลังมีเรือนยอดมหาวิยูหะเป็นที่ประทับโปรทรงละความพอพระไทยเรือนยอดเหล่านี้โปรยทรงเยื่อใยในการดํารงพระชนเถิดทรงมีบรลลังก์แปดพัน 84, บันลลังเป็นบรลลังทองบรลลังเงินบรลลังงาบรลลังแก้วบุษราคม ลา ด, ด้วยพรมขนสัตว์ชายยาวลาดด้วยสักรลาดลาดด้วยผ้าปักลวดลายลา ด, ด้วยหนังกวางอย่างดีมีพนักสูงหุ้มนวมสีแดงทั้งสองข้างโปรทรงและความพอพระไทยในบรรลังเหล่านี้โปรยาทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีช้างแปดหม่นสี่พันช้างมีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตะข่ายทอง มีพญาช้างตระกูลอุโบสถเป็นช้างทรงโปรทรงและความพอพระไทยช้างเหล่านี้โปรดย่าทรงเยื่อใยในการดํารงพระชนเถิดทรงมีม้า 84% ดหมพันม้ามีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตะข่ายทองมีพญาม้าวลาหกเป็นม้าส่งโปรทรงและความพอพระไทยม้าเหล่านี้โปรดย่าทรงเยื่อใยในการดํารงพระชนเถิดทรงมีราชรถ 84% ดหมพันคัน หุ้มด้วยหนังราชสีห์หุ้มด้วยหนังเสือโครง่งหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองหุ้มด้วยผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตะขายทองมีเวชยันราชรถเป็นรถพระที่นั่งโปรดทรงละความพอพระทัยราชรถเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีแก้วแปดหมสี่พันดวงมีมณีกแก้วเป็นชั้นยอด โปรทรงและความพอพระทัยแก้วเหล่านี้โปรยาทรงเยื่อใยในการดํารงพระชนเถิดทรงมีสตรี8ปดหมนสพันนางมีพระนางสุพัฏาเทวีเป็นอัครมเหสีโปรดทรงและความพอพระไทยสตรีเหล่านี้โปรยาทรงเยื่อใยในการดํารงพระชนเถิดทรงมีขหบดี8ปดหมพันคนมีขหบดีแก้วเป็นหัวหน้า โปรทรงและความพอพระทัยข้าบดีเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดํารงพระชนเถิดทรงมีกษัตริย์ผู้สวามีพักแปดหมื่นสีพันองค์มีปริญายกแก้วเป็นหัวหน้าโปรทรงและความพอพระทัยกษัตริย์เหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดํารงพระชนเถิดทรงมีโคโนม 84%, ดหมพันตัวที่พร้อมจะให้น้ํานมจนสามารถอาภาชนะรองรับได้ โปรดทรงและความพอพระไทยโคโนมเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดํารงพระชนเถิดทรงมีผ้าโขมพัดเนื้อดีผ้าฝ้ายเนื้อดีผ้าไหมเนื้อดีและผ้ากำพลเนื้อดีรวม 84%, ดหมพโกรดโปรดทรงละความพอพระไทยผ้าเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดํารงพระชนเถิดทรงมีสํำรับพระกยายฐารที่มีคนนํามาถวายทั้งเช้าและเย็น 84%00 มสําพรับ โปรทรงและความพอพระไทยสำหรับพระกรยาหารเหล่านี้โปรจะทรงเยื่อใหญ่ในการดำรงพระชนเถิดอานนเมื่อพระเจ้ามหาสุทัศนะตรัสอย่างนี้พระนางสุพัททาเทวีทรงพระกันแสง หลังพระอสุชนทรงเช็ดพระอสุชนแล้วได้กราบทูลพระเจ้ามหาสุทธศนะดังนี้ว่าขอเดชะความพลัดพลากความทอดทิ้งความแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทุกอย่างจะต้องมีพระองค์ยาสวรรคตทั้งที่ทรงมีอาลัยอยู่เลยเพราะการสวรรคตของผู้ยังมีความอาลัยเป็นทุก การสวรรคตของผู้ยังมีความอาไล่บัณฑิตติเตียนพระองค์ทรงมีเมืองขึ้น8ปดหมสพันเมืองมีกรุงกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองหลวงโปรทรงและความพอพระทัยเมืองเหล่านี้โปรอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีปราสาทแปดนสี่พันองค์มีธรรมประสาทเป็นที่ประทับโปรทรงละความพอพระทัยปราสาทเหล่านี้ โปรดยาทรงเยื่อใยในการดํารงพระชนเถิดทรงมีเรือนยอด 84% ดหมพันหลังมีเรือนยอดมหาวิยูหะเป็นที่ประทับโปรดทรงละความพอพระไทยเรือนยอดเหล่านี้โปรดยาทรงเยื่อใยในการดํารงพระชนเถิดทรงมีบรลลัง 84%, ดหมพันบัลลังเป็นบรลลังทองบรลลังเงินบรลลังงาบรลลังแก้วบุษราคมลาดด้วยพรมขนสัตว์ชา ย, ยาวลาดด้วยสักรลาด ลาดด้วยผ้าปากลวดลายลาดด้วยหนังกวางอย่างดีมีพนักสูงหุ้มนวมสีแดงทั้งสองข้างโปรดทรงละความพอพระทัยบัลลังเหล่านี้โปรอย่าทรงเยื่อใยในการดํารงพระชนเถิดทรงมีช้างแปดหมสี่พันช้างมีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตาข่ายทองมีพญาช้างตระกูลอุโบสถเป็นช้างทรงโปรทรงและความพอพระไทยช้างเหล่านี้ โปรดยาทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมี ม, า 84, มา้าแปดหมพันม้ามีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตะข่ายทองมีพญาม้าวลาหกเป็นมา้าทรงโปรดทรงและความพอพระไทยม้าเหล่านี้โปรดยาทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีราชรถแปดหมี่พันคันหุ้มด้วยหนังราชสีห์หุ้มด้วยหนังเสือโครง่งหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองหุ้มด้วยผ้ากำพลเหลือง มีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตาข่ายทองมีเวชยานราชรถเป็นรถพระที่นั่งโปรดทรงละความพอพระทัยราชรถเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดํารงพระชนเถิดทรงมีแก้ว 84%, ดหมพันดวงมีมณีแก้วเป็นชั้นยอดโปรดทรงละความพอพระทัยแก้วเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดํารงพระชนเถิดทรงมีสตรี 84% ดหมพันนาง มีนางแก้วเป็นหัวหน้าโปรดทรงละความพอพระไทัยสตรีเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อายในการดำรงพระชนเถิดทรงมีข้าพระบดีแปดสี่พันคนมีข้าระบดีแก้วเป็นหัวหน้าโปรดทรงละความพอพระทยัยข้าพระบดีเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีกษัตริย์ผู้สวามีพักแปดหมื่0สี่พันองค์มีปรินายกแก้วเป็นหัวหน้า โปรทรงและความพอพระทัยกษัตริย์เหล่านี้โปรจะทรงเยื่อใยในการดํารงพระชนเถิดทรงมีโคโนม 84%,00 มตัวที่พร้อมจะให้น้ํานมจนสามารถอาภาชนะรองรับได้โปรทรงและความพอพระทัยโคโนมเหล่านี้โปรจะทรงเยื่อใยในการดํารงพระชนเถิดทรงมีผ้าโขมพัดเนื้อดีผ้าฝ้ายเนื้อดีผ้าไหมเนื้อดีและผ้ากําพลเนื้อดีรวม 84%, ดหมพันโกฏ โปรดทรงลความพอพระไทยผ้าเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดํารงพระชนเถิดทรงมีสํำรับพระกระยาหารที่มีคนนํามาถวายทั้งเช้าและเย็น8ปดหมสี่พันสำรับโปรดทรงละความพอพระไทัยสหรับพระกระยาหารเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดํารงพระชนเถิด พระเจ้ามหาสุทัศนะเสด็จสู่โพรมโลกอาน o n ต่อจากนั้นไม่นานพระเจ้ามหาสุทัศนะก็ได้สวรรคตเท้าวเธอทรงมีความรู้สึกขณะใกล้จะสวรรคตเหมือนข้าบดีหรือบุตรข้าบดีผู้บริโภคโภชนะที่ชอบใจและย่อมเมาในรสอาหารฉะนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะเมื่อสวรรคตแล้วได้ไปเกิดในสุขติโพรมโลก อาน o พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงเล่นอย่างเด็กอยู่ 84,000 ปีทรงดำรงตำแหน่งอุปราช 84,000 ปีทรงครองราชอยู่ 84,000 ปีทรงดำรงเพศเครหัสประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในธรรมประสาท 84,000 ปีเพราะทรงเจริญพรหมวิหารสีประการหลังจากสวรรคตแล้วจึงไปเกิดในพรหมโลก